อนาปฏิวานพิษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ732 1. ภิกษุณียังไม่ถูกสวดสมรุปาตสองพิจุณีผู้สละ 3. ภพิกุณีวิกลจริต 4. ภพิจุณีต้นบัญญัตสังคาที่เศษสิขาบทที่10จบ